เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้จำแล้วก็ใจก็ลอยเพลินไปเหมือนกับย้อนกลับไปดูหนังเรื่องนั้นใหม่เนี่ยกำลังนั่งทำวัดอยู่นั่งฟังอยู่แต่ว่าใจมันเป็นนึกถึงจำได้อย่เรื่องเรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้แล้วก็ปล่อยใจลอยไปอันนั้นมันเป็นมิจฉาสติแล้วคือมันทาให้เมื่อเราลึกได้แล้วทำให้จิตเป็นอกุศล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 อันนี้ก็เป็นกุศลธรรมนะเพราะว่ามันเป็นความไม่ประมาท เ, เราเรินนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาความเริ่นนึกถึงนั้นก็เรียกว่าเป็นสมาสติอย่างเราเรินึกถึงความตายเราก็เรียกมรณสติมรณสตินี้ก็ถือว่าเป็นสมาสติอย่างหนึ่งแต่ว่า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 กลับมาสู่ปัจจุบันความเราลึกได้อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าสัมมาสติโดยพอเวลาจมเข้าไปในอารมณ์เผลอเข้าไปในอารมณ์โกรธก็ดีโมโหก็ดีทุกข์ก็ดีท้อแท้ก็ดีแล้วเราลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังจมอยู่ในอารมณ์ เมื่อเราลุกขึ้นมาได้สลัดจิตออกจากอารมณ์นั้นหรือผู้อิจาะ์นึ่คือว่าปล่อยอารมณ์นั้นให้หลุดล่วงออกไปจากจิตอันนั้นแหละเป็นสัมมาสติพอนำไปสู่จิตที่เป็นปกติสัมมาสตินี้สาคัญนะเพราะว่าคนเราเนี่ยทุกเพราะไม่รู้จักหรือว่าไม่มีสัมมาสติที่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 รา ล, ลึกได้ทั้งสองแง่คือรา ล, ลึกได้ว่าว่ากำลังทำอะไรอยู่ดึงจิตกลับมาสู่ปัจจุบันหรือร ะ, ะลึกได้ว่าโอ้นี่กำลังเผลออยู่ที่จริงตรงนี้เราเรียกว่ารู้ตัวมันมีตัวหนึ่งคือสัม ป, ปชัญญะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันความระลึกได้อย่างนี้แหละที่เราต้องการพัฒนาให้มากขึ้น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 พอใจลอยไม่มีสติสติไม่มีกำลังที่จะระลึกได้ให้ไหวการนี้ก็สวดไม่ถูกแล้วแทนที่จะสวดทรมันก็สังคังไปใะ่อันนี้เราเรียกว่ามันหลงแล้วละ่ะลองสังเกตดูเวลาสวดมนต้หลงไปอีกครั้งอันนั้นเพราะว่ามันไม่มีความรู้ตัวที่เราสัมปชัญญะและที่ไม่มีสัมปชัญญะก็เพราะว่า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 สมัยก่อนนี่เหรียญสตังแดงมันทำด้วยทองแดงแค่หนึ่งสตังติดกลืนเข้าไปแม่รู้ก็ตกใจตกใจก็ตื่นตหนกทำอะไรไม่ถูกเสร็จแล้วก็นึลกขึ้นมาได้ว่าโอ้น้ำกรดนี่มันกัดทองแดงได้นะด้วยความอยากจะช่วยลูกก็ไปเอาน้ำกรดมาใส่ปาก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 จิตสามารถที่จะหลุดจากอารมณ์หรือความคิดฟุง้งซ่านได้ไวขึ้นอันนั้นแหละคืองานของสัมมาสติการปฏิบัติเราไม่ได้เน้นเอาความนิ่งเอาความสงบแต่เราเน้นความรู้ตัวและความลึกได้ที่รวดเร็วฉับไว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 วิธีนี้นอกจากสัมมาสติจะไม่เจริญเพราะมันไม่ใช่เกิดจากสัมมาว า, ามะแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราทุกข์ด้วยเพราะว่าทำแล้วเครียดเพราะว่าเบรคความคิดยังไงก็ตามก็ยังเผลอคิดอยู่ยิ่งไม่อยากคิดมันยิ่งคิดลองสังเกตมาเวลายิ่งไม่อยากจะคิดมันยิ่งคิดเข้าไปใหญ่ เวลาโกรธขึ้นมาอยากจะอยากจะให้มันหายโกรธไวๆมันหายไปก็จริงแต่มันไม่ได้หายไปนานหรอกมันหลบในเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาอีกแล้วใ้เรื่องของการเจริญสตินี่มันต้องใช้ความนุ่มนวลจะไปห้ามมันไม่ได้เหมือนกับหมาเนี่ยนะยิ่งปลูกยิ่งมัดมันเอาไว้มันยิ่งหึดทัดมันยิ่งพยศและพอ พอเราเผิมแล้วมันก็รุดรงไปกแล้การเจอสตินี่ต้องอาศัยความนุ่มนวลนะแล้วก็ความอดทนแต่อดทนนี้ไม่ต้องไม่ต้อ ง, องทำด้วยความหน้าดำขำเครียดทํทำด้วยใจที่สบายมันจะฟุ้งก็อย่าไปโกรธะยไปโมโหตัวเอง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 และถ้าเราสัมผัสกับความปกตินี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันจะจำได้เวลาจิตยินดีก็ตามยินลายก็ตามอันนี้คือไม่ปกติจิตยินดียินไายมันเสียปกติไปเสียสมดุลไปจิตรู้ทันทีมันจะไวเขามันจะลึกได้ว่านี่ไม่ใช่ความปกติเนี่เวลาเราดีใจเราเผลอดีใจแต่ก่อนไม่รู้ตัว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 หัวเราะง่ายก็ร้องไห้ง่ายลองสังเกตดูพราะฉันใครไม่อยากจะทุกข์ง่ายไม่อยากจะไม่อยากจะร้องไห้ง่ายก็อย่าไปดีใจง่ายอย่าไปหัวเราะง่ายก็คือไม่ไม่ยินดียิน้ายง่ายเกินไปหรือไม่เผลอเข้าไปยินดียิน้ายเอากันถึงท่านนี้เลยไม่ใช่ไปห้ามมันนะเราไม่ได้ใช้วิธีการห้ามหรือไม่ใช่วิธีการบังคับจิต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 เหมือนกับเอาไฟฉายส่องเข้าไปความมืดก็หายไปทันทีไม่ต้องไปขับไล่ความมืดแสงสว่างมันไล่ความมืดไปเองสติความรู้ตัวความระลึกได้เมื่อไปเห็นความคิดฟุง้งซ่านเมื่อไปเห็นความโกรธมันก็เพ่นนี้ไปเองเราไม่ต้องไปทําอะไรกับไอ้ความคิดฟุง้งซ่านไม่ต้องไปทํำอะไรกับอารมณ์เหล่านั้นมันเป็นงานของสติเราไม่ต้องทําอะไรเมื่อความมืด เมื่อเจอแสงแสงสว่างหรือแสงไฟใายแสงสว่างก็จะไล่ความมืดไปเองเราไม่ต้องไปทำอะไรกับความมืด อ, อันนี้ถ้าเราใช้ความรู้ตัวอยู่ บ, บ่อยๆรู้ตัวอยู่ บ, บ่อยๆหรือรู้ตัวอยอ บ, บ่อยๆเนี่ยอาการเหล่านี้ความเผลอความความหลงมันก็จะหายไปความปกติก็จะเกิดขึ้นและจิตเมื่อเมื่อสติระลึก